วิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสะพโตป พ, พังเอตหาอาโปจะปัทวีจะเตโชวาโยนะคาทติเอตหาธีคันจะร ส, สันจะอนุนุทุลังสุภาสุพังเอตหานามัญจะรูปัญจะอเศัสังอปรุชติวิญญาณนัสนิโรเทนะเอเตตังอุปรุชติมีอยู่วิญญาณซึ่งเห็นด้วยตาไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอนันตะ คือไม่มีสิ้นสุดมีรัศมีอันกระจางไม่สิ้นสุดมีทางที่จะเข้าถึงได้ด้วยกรรมฐานนาทีวิญญาณนี้ไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีไฟไม่มีลมนาทีวิญญาณนี้ไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีงามไม่งามนาทีวิญญาณนี้น้ำและรูปดับลงไม่มีเหลือเพราะในที่นี้วิญญาณดับสนิทน้ำรูปทั้งหมด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 ลงชื่อพอรรัตนสุวรรณ